3. ปัญหาปุจฉกะเจ็ 47, ปฏิสัมพิทา4คือ 1. อัฏฐปฏิสัมพิทา 2. ธรรมปฏิสัมพิทาสนิรุตติปฏิสัมพิทา4ปฏิภาณัปฏิสัมพิทาติกะมาติกาปุจฉาทุกกะมาติกาปุจฉา748บรรดาปฏิสัมพิทาส ปฏิสัมพิธาเท่าไรเป็นกุศลเท่าไรเป็นอกุศลเท่าไรเป็นอัพยกริเท่าไรเป็นเหตุให้สัตว์ปรองให้เท่าไรไม่เป็นเหตุให้สัตว์ปรองให้ 1. ติกะมาติกาวิจัติชนา 1-22 กุศลติกาทิวิสัติชนาเจ็ปฏิสัมพิธาสที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอัพยกริก็มี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 กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอัฏฐปฏิสัมพิธาที่ออกิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีปฏิสัมพิธาสมีทั <mel ody> <mel ody> <mel ody ้งวิตกและวิจารณ์อัฏฐปฏิสัมพิธาที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ก็มี ที่ไม่มีทั้งมิตรกและวิจารณ์ก็มีปฏิสัมพิทาสที่จรคตด้วยปีติก็มีที่จรคตด้วยสุขก็มีที่จรคตด้วยเบิกขาก็มีปฏิสัมพิทาสไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามปฏิสัมพิทาสไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาม ปฏิสัมพิธาสที่เป nice. ็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มีอัฐาปฏิสัมพิธาที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มีปฏิสัมพิธาสไม่เป็นของเสกบุคคลและอาศขบุคคล อัฏฐปฏิสัมพิทาที่เป็นของเสกบุคคลก็มีที่เป็นของอเสกบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลก็มีปฏิสัมพิทาสเป็นปริตตะอัฏฐปฏิสัมพิทาที่เป็นปริตตะก็มีที่เป็นอปปามานะก็มีนิวรุตติปฏิสัมพิทามีปริตตะเป็นอารมณ์ปฏิสัมพิทาสาม ที่มีปริตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหคตะเปน็นอารมณ์ก็มีที่มีอปปมาณะเป็นอารมณ์ก็มีปฏิสัมพิธาสเป็นชั้นกลางอัตถปฏิสัมพิธาที่เป็นชั้นกลางก็มีที่เป็นชั้นประนีตก็มีปฏิสัมพิธาสาให้ผลแน่นอนอัตถปฏิสัมพิธาที่มีสภาวะชอบละให้ผลแน่นอนก็มี ที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นก็มีนิรุตติปฏิสัมพิทากล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นอารมณ์มีมรรคเป็นเหตุหรือมีมรรคเป็นอธิปดีอัทธปฏิสัมพิทาไม่ใช่มีมรรคเป็นอารมณ์ที่มีมรรคเป็นเหตุก็มีที่มีมรรคเป็นอธิปดีก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นเหตุ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 อัตถปฏิสัมพิธาที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีปฏิสัมพิธาสที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีนิวรติปฏิสัมพิธามีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ปฏิสัมพิธาสองที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ก็มี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 2. ทุกกะมาติกาวิสัชนาะ 1. เหตุุกโคจฉะะกาะวิสัชนะา750ปฏิสัมพิทาสี่เป็นเหตุปฏิสัมพิทาสี่มีเหตุปฏิสัมพิทาสี่สัมพยุดด้วยเหตุปฏิสัมพิทาสี่เป็นเหตุและมีเหตุปฏิสัมพิทาสี่เป็นเหตุและสัมพยุดด้วยเหตุแต่กล่าวไม่ได้ว่าไม่เป็นเหตุ แต่มีเหตุหรือไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุ 2. จูรันตะทุกขวิสัชนาะปฏิสัมพิทาสี่มีปัจจัยปรุงแต่งปฏิสัมพิทาสี่ถูกปัจจัยปรุงแต่งปฏิสัมพิทาสีเห็นไม่ได้ปฏิสัมพิทาสีกระทบไม่ได้ปฏิสัมพิทาสี่ไม่เป็นรูป ปฏิสัมพิธาสเป็นโลกิยะอัฏฐปฏิสัมพิธาที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีปฏิสัมพิธาสี่จิตบางดวงรู้ได้ปฏิสัมพิธาสี่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ 3. อาสวะโคจะะะัตชกวิสัชนาะปฏิสัมพิธาสี่ไม่เป็นอาสวะ ปฏิจสมพิทาสเป็นอารมณ์ของอาสวะอัตตปฏิจัมพิทาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีปฏิจัมพิทาสวิปยุตจากอาสวะปฏิจัมพิทาสกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะหรือเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะ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 ปฏิจัมพิธาสวิปยุจจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะอัฏฐปฏิจัมพิธาที่วิปยุจจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่วิปยุจจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มี4ถึง12สัญญโฉนโคจัจการทิวิสัชนาะปฏิจัมพิธาสี่ไม่เป็นสัญญโ ไม่เป็นคันธะไม่เป็นโอคะไม่เป็นโยคะไม่เป็นนิวรณ์ไม่เป็นปรามาตปฏิสัมพิทาสีรับรู้อารมณ์ ไ, ด, ได้ปฏิสัมพิทาสีไม่เป็นจติตปฏิสัมพิทาสีเป็นเจตสิกปฏิสัมพิทาสีสัมปยุทธ์ด้วยจิตปฏิสัมพิทาสีระคนกับจิต ปฏ i, p p p p ิจัมพิทาสีมีจิตเป็นสมุดฐานปฏิจัมพิทาสีเกิดพร้อมกับจิตปฏิจัมพิทาสีเป็นไปตามจิตปฏิจัมพิทาสีรัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุดฐานปฏิจัมพิทาสีระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐานและเกิดพร้อมกับจิตปฏิจัมพิทาสีรัคนกับจิต มีจิตเป็นสมุดฐานและเป็นไปตามจิตปฏิจัมพิทาสี่เป็นภายนอกปฏิสัมพิทาสี่ไม่เป็นอุปาทายรูปปฏิสัมพิทาสี่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือปฏิจัมพิทาสี่ไม่เป็นอุปาทานไม่เป็นกิเลส 13. ปิติ กะวิจัตชนาปฏิจสมพิทาสีไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักปฏิจสมพิทาสีไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาปฏิจสมพิทาสีไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักปฏิจสมพิทาสีไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาปฏิจสมพิทาสีมีวิตก อัตถปฏิสัมพิธาที่มีวิตกก็มีที่ไม่มีวิตกก็มีปฏิสัมพิธาสมีวิจารณอัตถะปฏิสัมพิธาที่มีวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิจารณ์ก็มีปฏิสัมพิธาสที่มีปีติก็มีที่ไม่มีปีติก็มีปฏิสัมพิธาสที่จะหอรคตด้วยปีติก็มี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 อัฏฐปฏิสัมพิทาที่เป็นกามาวจรก็มีที่ไม่เป็นกามาวจรไม่เป็นรูปาวจรและไม่เป็นอรูปาวจรก็มีปฏิสัมพิทาสนับเนื่องในวัตถุทุกอัฏฐปฏิสัมพิทาที่นับเนื่องในวัตถุทุกก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัตถุทุกก็มีปฏิสัมพิทาสไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตถุ อัฏฐปฏิสัมพิทาที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกก็มีที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกก็มีปฏิสัมพิทาสให้ผลไม่แน่นอนอัฏฐปฏิสัมพิทาที่ให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีปฏิสัมพิทาสมีธรรมอื่นยิ่งกว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มี ที่ไม่มีทำอื่นยิ่งกว่าก็มีปฏิสัมพิธาสี่ไม่เป็นเหตุให้ร้องไห้ชะนี้แลปัญหาปุจฉกะจบปฏิสัมพิธาวิพังจบบริบูรณ์16ญยานวิพังหนึ่งเอกมาติกา เจ็ดห้าสอ็านวัตถุหมดละหนึ่งคือหนึ่งวิญญาณห้าไม่เป็นเหตุไม่มีเหตุวิปยุตจากเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งถูกปัจจัยปรุงแต่งไม่เป็นรูปไม่เป็นโลกิยะเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็นอารมณ์ของขันขธ์เป็นอารมณ์อมของโอคะ เป็นอารมณ์ของโยคะเป็นอารมณ์ของนิวรณ์เป็นอารมณ์ของปรารมาเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นอัพยกฤตรับรู้อารมณ์ได้ไม่เป็นเจตสิกเป็นวิบากรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสไม่ใช่มีทั้งวิตกและวิจาร์ไม่ใช่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารไม่มีทั้งวิตกและวิจารไม่สะหรคตด้วยปีติไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิ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 มีวัตถุไม่แตกดับมีอารมณ์ไม่แตกดับ 6. วิญ ญ, ญาณหมีวัตถุต่างกันมีอารมณ์ต่างกัน 7. วิญ ญ, ญาณหไม่เสวยอารมณ์ของกันและกัน 8. วิญ ญ, ญาณหไม่เกิดขึ้นเพราะไม่ใส่ใจ 9. วิญ ญ, ญาณหไม่เกิดขึ้นเพราะไม่มนสิการ วิญญาณหไม่เกิดขึ้นโดยไม่สับลำดับกัน 11. วิญญาณหไม่เกิดขึ้นพร้อมกัน 12. วิญญาณหไม่เกิดขึ้นในลำดับของกันและกัน 13. วิญญาณหไม่มีความผูกใจ 14. บุคคลไม่รู้แจ้งทำอะไรอะไรด้วยวิญญาณหเว้นแต่อารมณ์ที่ตกไป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 บุคคลไม่ประกอบกายกรรมและวจีกรรมด้วยวิญญาณ5 19. บุคคลไม่ประกอบกายกรรมและวจีกรรมแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณห20บุคคลไม่สมาทานสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลด้วยวิญญาณห21 บุคคลไม่สมาธานสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณห22บุคคลไม่ได้เข้าสมาบัติไม่ได้ออกจากสมาบัติด้วยวิญญาณห23บุคคลไม่ได้เข้าสมาบัติไม่ได้ออกจากสมาบัติแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณห24 บุคคลไม่จ huh. ุติไม่ปฏิสนธิด้วยวิญญาณห25บุคคลไม่จุติไม่ปฏิสนธิแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณห26บุคคลไม่หลับไม่ตื่นไม่ฝันด้วยวิญญาณห27บุคคลไม่หลับไม่ตื่นไม่ฝันแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณห ปัญญาแสดงเรื่องของวิญญาณห้าตามที่เป็นจริงยานวัตถุหมวดละหนึ่งมีด้วยประการชนิดสองทุกกะมาติกาเจ็ดร้อยห้าสิบสองยานวัตถุหมวดละสองคือหนึ่งโลกิยะปัญญาโลกุตระปัญญา 2. เกณจิวิญญาปัญญา น, ะกนักเกณจิวิญญาปัญญา 3. อามสวาปัญญาอนาสวาปัญญาสี่สวาวิปยุตตาสาสวาปัญญาอาสวาวิปยุตตาอนาสวาปัญญาหาสัญญชนิยปัญญา อสัญโยชนิยปัญญา 6. สัญโยชนวิปยุตตสัญโยชนิยปัญญาสัญโยชนาวิปยุตตาอสัญโยชนิยปัญญา 7. คันทนิยปัญญาอคันธะนิยปัญญา 8. คันทวิปยุตตคันธนิยปัญญา คันธวิปยุตตาอคันธนิยปัญญา๙โอคานยปัญญาอโนคานยปัญญา10โอควิปยุตตาโอคานยปัญญ า, อญญาโอควิปยุตตาอโนคานยปัญญา11โยคานยปัญญาอโยคานยปัญญา 12. โยคะวิปยุตตะโยคะนิยปัญญาโยควิปยุตตะอะโยคะนิยปัญญา13นีวรณิยปัญญาอนีวรณิยปัญญา14นีวรณวิปยุตตนีวรณิยปัญญา นิวรณวิปยุตตะอนีวรณียปัญญา 15. ปรามัฏฐปัญญาอปรามัฏปัญญา16ปรามาสวิปยุตตปรามัฏฐปัญญาปรามาสวิปยุตตะอปรามัถปัญญา17อุปาทินะปัญญา อนุปาทินะปัญญา18อุปาธานิยปัญญาอนุปาธานิยปัญญา19อุปาธานวิปยุตตอุปาธานิยปัญญาอุปาธานวิปยุตตอนุปาธานิยปัญญา20สังกิเลสิกปัญญาอสังกิเลสิกปัญญา 21กิเลสวิปยุตตะสังกิเลสิกปัญญากิเลสวิปยุตตะอสังกิเลสิกปัญญา22สวิตัคกปัญญาอวิตัคกปัญญา23สวิจาระปัญญาอวิจาระปัญญา24สัปปีติกปัญญา อภีติกปัญญา25่ิปีติสหคตะปัญญาณปีติสหคตะปัญญา26สุขสหคตะปัญญาณสุขสหคตะปัญญา27อุเปกขาสหคตะปัญญาอนุปเปกขาสหคตะปัญญา28 กามวจจระปัญญานักกามวจจระปัญญาย a ่สิบเก้ารูปาวจจระปัญญานรูปาวจรปัญญาอรูปาวจรปัญญานอรูปาวจรปัญญาปริยปนปัญญาอปริยปน ปัญญานิยานิกะปัญญาอนยานิกะปัญญาสานิยตะปัญญาอเนยตปัญญา 34. ส4สุตรปัญญาอนุตตรปัญญา35อัทชาปิกะปัญญา ชาปิตตะปัญญายานวัตถุหมวดละสองมีด้วยประการชนี้3ติกะมาติกาเจ็ดยาสยานวัตถุหมวดละสามคือหนึ่งจินตามยปัญญาสุตตามยปัญญาภาวนามยปัญญา 2. ธทานมยะปัญญาสีลมยะปัญญาภาวะนามยะปัญญา 3. อธิสีลปัญญาอธิจิตตปัญญาอธิปัญญปัญญา 4. อายโกสนหมายถึงความเป็นผู้ฉลาดในความเจริญ อปายโกศลหมายถึงความเป็นผู้ฉลาดในความเสื่อมอุปายโกศลหมายถึงความเป็นผู้ฉลาดในอุบาย 5. วิปากะปัญญาวิปากะธรรมะธรรมะปัญญาเนววิปากะนะวิปากะธรรมะธรรมะปัญญา อุปาทินุปาธานิยปัญญาอนุปาทินุปาธานิยปัญญาอนุปาทินะอนุปาธานิยปัญญา7จสวิตัคกสวิจารปัญญาอวิตัคกวิจารมัตปัญญาอวิตัคกอวิจารปัญญา8 ปีติสหคตาปัญญาสุขสหคตะปัญญาอุเปกขาสหคตะปัญญาเกาอาจยคามินีปัญญาอภปจายคามินีปัญญาเนวัจยคามินาปัจจยคามินีปัญญา10เสกคปัญญาอเสกคปัญญาเนวเสกคนาเสกคปัญญา11 ปริตตปัญญามหคัตปัญญาอปปมะนปัญญา12ปริตตารัมมะนาปัญญามหคตารัมมะนาปัญญาอปปามารัมมะนาปัญญา 13. มมักขารัมมะนาปัญญามักขะเหตุกปัญญามักขาธิปตินีปัญญา สิอุปปันณาปัญญาอนุปันณาปัญญาอุปาทินีปัญญา15บห้อติตะปัญญาอนาคตะปัญญาปัจจุปันณาปัญญา16บหอติตารัมณะปัญญาอนาคตารัมณะปัญญา ป จ, จุป น, นารมณปัญญา17อเจชตปัญญาพหิตธปัญญาอจชตพหิตะปัญญา18อัจชตารมณปัญญาพหิทรมณปัญญา 18. อจชตพหิทรมณปัญญ า, า, ญญา19บสวิตะกะสวิจารปัญญาที่เป็นวิบากก็มี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 แต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรรมมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี21่สวิตติ ก, กสวิจารปัญญาที่จะหรคตด้วยปีติก็มีที่จหรคตด้วยสุขก็มีที่จหรคตด้วยอุเบกขาก็มี22่สวิตติ ก, กสวิจารปัญญา ที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มี23่สวิตักระสวิจารปัญญาที่เป็นของเสคบุคคลก็มีที่เป็นของอเสคบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสคบุคคลและอเสคบุคคลก็มี 24่สวิตตะกสวิจารปัญญาที่เป็นปริตะก็มีที่เป็นมหคัตะก็มีที่เป็นอัปปามะนะก็มี 25. ่สวิตตะกสวิจารปัญญาที่มีปริตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหคัตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอัปปามะนะเป็นอารมณ์ก็มี26 สวิตตะกสวิจารปัญญาที่มีมรรคเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมรรคเป็นเหตุก็มีที่มีมรรคเป็นอธิบดีก็มี27่สวิตตะกสวิจารปัญญาที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดข an ึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มี28สวิตตะกสวิจารปัญญาที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มี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 <c oughs> 32อวิตร ก, กวิจาระมัตตปัญญาที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีสาอวิตร ก, กวิจาระมัตตปัญญาที่กรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี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 ที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มี 35. อวิตักิจารมัตตปัญญาที่เป็นของเสสขบุคคลก็มีที่เป็นของอเสสขบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสสขบุคคลและอเสสขบุคคลก็มี36มสิบกอวิตรกิจารมัตตปัญญาที่เกิดขึ้นก็มี ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีเจอวิตรกวิจารมัตตปัญญาที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก er ็มีที่เป็นปัจจุบันก็มี38อวิตรกวิจารมัตตปัญญาที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มี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 แต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี41อวิตร ก, กะอวิจารปัญญาที่จหรคตด้วยปีติก็มีที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่จหรคตด้วยอุเบกขาก็มี42อวิตร ก, กะ อวิจารปัญญาที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่เป็นเหต iti, ì, ุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติกและนิพพานก็มี43อวิตรกะอวิจารปัญญาที่เป็นของเสกขบุคคลก็มีที่เป็นของอเสะขบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสกขบุคคลและอเสะขบุคคลก็มี 4ีอว ah um um um um um um ah ิจักกะอวิจารปัญญาที่มีปริตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหคัตตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอปปมานะเป็นอารมณ์ก็มี45หอวิจักกะอวิจารปัญญาที่มีมักเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมักเป็นเหตุก็มีที่มีมักเป็นอธิบดีก็มี46 อวิจักกะอวิจารปัญญาที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มี47อวิจักกะอวิจารปัญญาที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มี48อวิจักกะอวิจารปัญญาที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ก็มี ที่มีอานาค ต, ตรธรรมเป็นอามก็มีที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอามก็มี 49. อวิตักกะอวิจาระปัญญาที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มี 50. อวิตักกะอวิจาระปัญญา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 ปีติสหคตะปัญญาสุขะสหัคตะปัญญาที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มี54ปีติสหัคตะปัญญาสุขะสหคตะปัญญาที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนทีและจุติก็มีที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มี ที่ไม่เป็นเหตุในถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มีห้าิหปีติสหคตะปัญญาสุขัสหคตะปัญญาที่เป็นของเสขบุคคลก็มีที่เป็นของอเสะขบุคคลก็มีที่ไม่เป็นเสขบุคคลและอเสะขบุคคลก็มี56าิปีติสหคตะปัญญา สุขสหคตะปัญญาที่เป็นปริตะกม็มีที่เป็นมหคตะก็กมีที่เป็นอปปมานะกม็มีห้าสิห้าสิปีติสหคตะปัญญาสุขสหคตะปัญญาที่มีปริตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอปปมานะเป็นอารมณ์ก็มี ห้าิปีติสหคตะปัญญาสุขสหคตะปัญญาที่มีมักเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมักเป็นเหตุก็มีที่มีมักเป็นอธิบดีก็มี59าิปีติสหคตะปัญญาสุขสหคตะปัญญาที่กเกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มี60ส ปีติสหคตะปัญญาสุขาสหคตะปัญญาที Rafael, lock, ่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีหกอปีติสหคตะปัญญาสุขาสหคตะปัญญาที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มี62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 ที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มี67อุเปกขาสาคตะปัญญาที่เป็นของเสกขบุคคลก็มีที่เป็นของอาศะขบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสกขบุคคลและอาศะขบุคคลก็มี68อุเปกขาสาคตะปัญญาที่เป็นปริตฐะก็มี ที่เป็นมหาคตะก็มี <69. S 3> ที่เป็นอัปปมานะก็มี69อุเปกขาสักตะปัญญาที่มีปริตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหาคตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ก็มี70สอุเปกขาสคตะปัญญาที่มีมักเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมักเป็นเหตุก็มี ที่มีมากเป็นอาทิบดีก็มีเจอุเปกขาสหคตะปัญญาที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มี7จิบอุเปกขาสหคตะปัญญาที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีเจ็ิบสา อุเบกขาสาคตะปัญญาที่มีอดีตตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอนาคตตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มี74อุเบกขาสาคตะปัญญาที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มี75บห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 ร้อยห้าสิบสี่ยานวัตถุหมวดละสี่คือหนึ่งกามสกตายานสจานุโลมิกญาณมัคคสมังคิยานภะสมังคิยา น, ส, ยานสองทุกขญาณทุกขสมุททย า, ยานทุกขนิโรธญาณ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทายาน 3. กามาวจระปัญ ญ, า ร, า, ร ญ, ญ า, ารูปาวจระปัญญาอรูาปาวจระปัญญาอปริยปนักปัญญา 4. ธรรมญาณอัญวยญยาณปริจจยาณสมัมมติญาณ 5. ธรรมญาณ อัญวยญาณปริจยญาณสัมติญาณที่เป็นอาจยโนอปัจยปัญญาก็มีที่เป็นอปัจยาโนอาจยปัญญาก็มีที่เป็นอาจยะอปัจจยปัญญาก็มีที่เป็นเนวาจยโนอาปจยปัญญา 6. ธรรมญาณ อัญวยะานปริจจยานสัมะติยานที่เป็นอาเจยโนอาปัจยปัญญาก็มีที่เป็นอาปเจยโนอาปเจยปัญญาก็มีที่เป็นอาเจยะอาปเจยปัญญาก็มีที่เป็นเนวาเจยะโนอาปัจยปัญญาก็มีที่เป็นนิ พิธาโนปฏิเวทปัญญาก็มีที่เป็นปฏิเวทโนนิพพิธาปัญญาก็มีที่เป็นนิพพิธาปฏิเวทปัญญาเนวะนิพพิธาโนปฏิเวทปัญญาก็มี7หานภาคคินีปัญญาทิฏฐิภาคินีปัญญาวิเสสภาคินีปัญญานิพเพท ภาคินีปัญญา 8. ปฏิสัมพิทาสีาปฏิปทาสีสิบอารมณ์สีสิความรู้ในชารามรณะททความรู้ในชารามรณะสมุทัยความรู้ในชารามรณะนิโรธความรู้ในชรามรณะนิโรธคามินีปฏิปทาสิบสอง ความรู้ในชาติ13ความรู้ในภพสิบความรู้ในอุปาทาน 15. ความรู้ในตัณหา 16. ความรู้ในเวทนา17ความรู้ในผัสสะสิความรู้ในสลายตนะสิความรู้ในนามรูปยีสความรู้ในวิญญาณ21 ความรู้ในสังขาร 22. ความรู้ในสังขารสมุ ท, ทยัยย 23. ความรู้ในสังขารนิโรธ 24. ความรู้ในสังขารนิโรธทัคามินีปฏิปทายานวัตถุมุตตสีมีด้วยประการชนีห้ 5. ปัญจกามาติกา ร5 5ยห้าห้าานวัตถุหมวดละห้าคือ 1. สัมมาสมาธิมีองค์ห้าสสัมมาสมาธิมีญาณหญายานวัตถุหมวดละห้ามีด้วยประการฉนี้ 6. กชะกะมาติกาเจ6ยหาณนวัตถุหมวดละหกคือ 1>, 1ปัญญาในอภิญญาหญาณวัตถุหมวดละหมีด้วยประการชนิดเจ็ 7. สัตตะมาติกา7จ็ดาณวัตถุหมวดละเจคือ 1. ญาณวัตถุ77ญาณวัตถุหมวดละเจมีด้วยประการชนิดแปอัตกะมาติกา ร้ ย, ยาณนวัตถุหมดละแปดคือ 1. ปัญญาในมรสีผล 4. ญยานวัตถุหมดละแปดมีด้วยประการชนี้ 9. นวั ก, กะมาติกา 759. ญยาณนวัตถุหมดละ9ก้าคือ 1. ปัญญาในอนุปปภะวิหารและสมาบัติ กายานวัตถุหมวดละเก้ามีด้วยประการชนิดสิบทัศกะมามติกาเจ็ดร้อยหกสิบยานวัตถุหมวดละสิบคือพระตถาคตทรงประกอบด้วยกำลังเหล่าใดจึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐบรรลือศีหนาทในบริษัทประกาศพรหมจัก กำลังเหล่านี้ชื่อว่ากําลังสิบของพระตถาคตกําลังสิบเป็นฉไหนกําลังสิบคือหนึ่งพระตถาคตในโลกนี้ทรงปราบธรรมที่เป็นฐานะโดยความเป็นฐานะและธรรมที่ไม่เป็นฐานะโดยความไม่เป็นฐานะตามความเป็นจริงแม้ข้อที่พระองค์ทรงทราบธรรม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 พระตถาคตทรงทราบวิบากของกรรมมะสมาทานที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันตามความเป็นจริงโดยฐานะโดยเหตุแม่ข้อที่พระองค์ทรงทราบวิบากของกรรมสมาทานที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันตามความเป็นจริงโดยฐานะโดยเหตุนี้ก็เป็นกําลังของพระตถาคตซึ่งพระองค์ทรงอาศัยแล้ว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 อันประเสริฐบรรลือสีหนาฏในบริษัทประกาศพรหมจักร 4. พระตถาคตทรงทราบโลกที่เป็นอเนกธาตุและนานาธาตุตามความเป็นจริงแม้ข้อที่พระองค์ทรงทราบโลกที่เป็นอเนกธาตุและนานาธาตุตามความเป็นจริงนี้ก็เป็นกำลังของพระตถาคตซึ่งพระองค์ทรงอาศัยแล้ว จึงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐบรรลือศีแหนาฏในบริษัทประกาศพรหมจักรห้าพระตถาคตทรงทราบความที่สัตว์ทั้งหลายมีอัธยาศัยต่างๆกันตามความเป็นจริงแม้ข้อที่พระองค์ทรงทราบความที่สัตว์ทั้งหลายมีอัธยาศัยต่างๆกันตามความเป็นจริงนี้ก็เป็นกําลังของพระตถาคต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 นี้ก็เป็นกำลังของพระตถาคตซึ่งพระองค์ทรงอาศัยแล้วจึงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐบลือศีหานาฏในบริษัทประกาศพรหมจักเจ็ดพระตถาคตทรงทราบความเศร้าหมองความผ่องแพ้วความออกจากฌานวิโมกข์สมาธิสมาบัติและการออกจากฌานเป็นต้นตามความเป็นจริง แม้ข้อที่พระองค์ทรงทราบความเศร้าหมองความผ่องแพ้วความออกจากฌานวิโมกสมาธิสมาบัติและการออกจากฌานเป็นต้นตามความเป็นจริงนี้ก็เป็นกำลังของพระตถาคตซึ่งพระองค์ทรงอาศัยแล้วจึงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐบลือสีหนาฏในบริษัทประกาศพรหมจักร 8. พระตถาคตทรงทราบ การระลึกชาติในหุนหลังได้ตามความเป็นจริงแม้ข้อที่พระองค์ทรงทราบการระลึกชาติในในหนหลังได้ตามความเป็นจริงนี้ก็เป็นกําลังของพระตถาคตซึ่งพระองค์ทรงอาศัยแล้วจึงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐบลือสีหนาถในบริษัทประกาศพรหมจักเกพระตถาคตทรงทราบความจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลาย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 แม้ข้อที่พระองค์ทรงทราบความสิ้นอาสวะตามความเป็นจริงนี้ก็เป็นกําลังของพระตถาคตซึ่งพระองค์ทรงอาศัยแล้วจึงปฏิญาณฐานะเป็นอันประเสริฐบลือศรีนาฏในบริษัทประกาศพรหมจักกาลังเหล่านี้ชื่อว่ากําลังสิทธิ์ของพระตถาคตซึ่งพระองค์ทรงประกอบด้วยกําลังเหล่านี้แล้ว จึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐบรรลือศีหนาฏในบริษัทประกาศพรหมจักยาณวัตถุหมวดละสิบมีด้วยประการฉนี้มาติกาจบ